ทำงานที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหมอที่จบปริญยญยาเอกด้านมนุษยวิทยาลูกศิษย์จะเป็นคนแรกของประเทศนะเรียนหมอแต่จบด้านมนุษยวิทยาหมอก็มาก็พาไปหาอาจารย์คนหนึ่งนะน่าสนใจนะคือชาลส์ฮาริเซ่บอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี<ม>ไปพบตัวก็แปลกใจเพราะว่ายังหนุ่มอยู่เลยนะอายุ4ี่สตอนนั้นนะ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 มันคลาตติปานีก็เป็นเล่มหนึ่งนะแล้วก็จะแปลอีกหลายเล่มนะที่เป็นคัมภี์โบราณภาษาบาลีรวมทั้งอตอนนี้ฝรั่งก็มสนใจเรื่องนี้มากบางคนก็สงสัยทําไมไม่แปลพระไตรปิฎกนะคำตอบคือว่แปลกันไปเรียบร้อยแล้วอัถกถาก็แปลเรียบร้อยแล้วคัมภีร์อย่างวิสุทธิมักเนี่ยก็แปล ก, กันไปนานแล้วฝรั่งนี้ตะลุยแปลคัมภีร์หลักๆนี่ไป จบไม่เหลือแล้วก็เหลือแต่คัมภีร์ชั้นลองๆที่เขาเรียกว่าดีกาอนุดีกาก็เลยมาจับคมภีร์ระดับลองๆที่พระคนไทยเคยเขียนเอาไว้อย่างไต่ภูมิกระฐา น, นี่ก็แปล ก, กันไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์เช้านี่ก็น่าสนใจนะเพราะแกเรียกว่ามีฉันทาในด้านนี้มากทั้งๆทีท่ไม่ได้ไม่เคยบวชพระแล้วก็ไม่เคย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 อาจารย์ชาวไริเซได้หรือเปล่า mm hmm. ตอนนี้ฝรั่งเนี่ยที่สนใจแล้วก็มีความรู้มากเรื่องภาษาบาลีนี่เยอะที่เดียวนะที่น่าสนใจท่านหนึ่งก็คือพิกขุโพธินะอันนี้เป็นชาวอเมริกันเหมือนกันพิคุโพธินี่เป็นพระแล้วก็ไปบวชที่อินเดีที่ลังกาเป็นลูกศิษย์คนโปรดของท่านยานาปนิกะมหาเทระซึ่งเขียนหนังสือเรื่องหัวใจกรรมฐาน ท่านยบรนิกาเนี่เป็นชาวเยอรมันนะมาบวชเมื่อกลางคนอายุสี่สิบแต่ว่าภาษาบาลีก็ถือว่าเป็นยอดมากเขียนหนังสือเรื่องหัวใจกรรมฐานเป็นภาษาอังกฤษภาษาก็ไพเราะทั้งนี้เป็นชาวเยอรมันก็ยังเป็นหนังสือทีอ่อ่านกันอยู่ทุกวันนี้นะพิ่ครูบที่นี่ก็ เรียกว่าหันาอาดีด้นการแปลตอนนี้นี่ท่านแปลคัมภีรในพระไตรปิฎกนี่ไปได้เยอะแล้วแปลคนเดียวเลยนะสังยุตตานิกายเนี่ยสังยุตตานิกายนี่นนมันเป็นมันเป็นแปลสุตตันตปิฎกนะพระไตรปิฎกนี่มีสามนี่สาปิฎกนะอภิธรรมวินัยแล้วก็สุตตันตปิฎก สุตตันตบิดงนี้พี่คูพอที่แปลไปได้เยอะแล้วทั้งมัชิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายและตอนนี้เริ่มมาจับกุตตะนิกายแล้วนะ <Yeah. S 1> เรียกว่ามีชั้นทานแล้วก็วิรยะมากแล้วคุณภาพก็ดีด้วยนะสุตตัน ตั บ, บิดกนี่ของไทยนี่ที่แปลกันทุกวันนี้ก็หลายคนแปลนะหลายคนช่วยกันแปลไม่ว่าของสยามรัฐไม่ว่าของมหาจุฬามหมามกุลนี่ต้องหลายคนแปลเรียกว่าแปลเป็ น, นคณะกรรมการเลยแต่ว่าพี่กุพทินี่แปลคนเดียวนะก็ตลุยแปลไม่เรื่องนะสิบสิ บ, สบยี่สิบปีมาแล้วแล้วก็ยังแปลต่อไปแล้วคุณภาพก็ดีมากเรียกว่าหา าหาข้อบอกพร่องได้ยากของบาลีสยามขอ ง, ข, องข้าพเด็กเด็กฉบับสยามรัฐของมหมามกุฎหมาจุฬานี่ยั ง, ย, งยังเจอผิดเจอพลาดได้เยอะ น, นะแต่ของพี่ขุโพธิ์ที่นี่แปะคนเดียวไม่ได้ใช้กรรมการภาษาก็สละสลวยข้อบอกพร่องเขาก็ว่าเาก็ว่ากันว่ามันหาได้น้อยแล้วก็แถมมีเชิงอัดนะจากจากอถกถามาประกอบด้วย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 พระมาสนใจเรื่องการเมืองเรื่องทางโลกเยอะท่านว่านี่พระที่มาสนใจบาลีเนี่ยเดือวนี้ก็เป็นพวกที่เรียกว่าไปไหนไม่รอดแล้วก็มาเอาก็มาเรียนทางนี้คล้ายๆเมืองไทยเลยนะส่วนใหญ่คนที่เรียนภาษาบาลีก็เพราะว่าไม่มีทางไปจําเป็นต้องมาเรียนถ้ามีทางไปก็ไปเรียนทางโลกแล้วนะไม่มีทางไปก็มาเรียนบาลีแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนเพราะฉะนั้นก็เกิดปัญหาคือ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 จริงๆไม่ใช่แต่เรียนบาลีนะการปฏิบัติทำก็เหมือนกันนะหลายคนก็บอกว่าทรมานเหลือเกินนะในการปฏิบัตินะถ้าต่อแบบอาจารย์วอร์เรนเขบอกว่าเนี่ยก็ต้องก็เพราะทุกทรมานนั่นเถึงจะได้ปฏิบัติได้เก่งได้ดีแล้วก็ร ะ, ะพร